แต่ตนเดินบ้างยืนบ้างสนทนาบ้างเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเตือนจึงประกาศตนว่าเป็นพราหมควรแสดงอาการอย่างนี้ต่อคนชั้นไพร่ศรีรสะโล้นซึ่งเกิดจากเท้าของพระพรหมสำหรับข้อนี้เป็นความนิยมของพวกพราหมว่าถ้าโกนสีษะจะถูกเหยยดยามเป็นคนชั้นต่ำ อัมพัทธามนพเพิ่มความโกรธเคืองยิ่งขึ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอำมพัทธามนพยังไม่จบโรหมจรรย์ของพราหมณ์แต่สาคัญตนว่าจบแล้วจึงด่าสกุลสักยะว่าเป็นสกุลธาตุสกุลไพรไม่เขารบพราหมณ์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัรรรตสถามว่าสักยะสกุลเคยทาผิดอะไรไว้จึงเล่า ว, ว่า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 ขอพระโคดมอย่าได้กล่าวหาว่าอัมพัทธมานพเป็นรูปทาสีหรือเป็นลูกทาสเลยเพราะอัมพัทมานพมีชาติอันดีสดับตรับปังมากมีถ้อยคําอันดีงามและเป็นบัณฑิตพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามอัมพัทธมานพว่าที่พระองค์ตรัสอย่างนี้เป็นความจริงหรือไม่อัมพัทธมานพนิ่งอึง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 จะเจรจากับพรามผู้รู้วิชาสามคือรู้ไตรเพศได้อย่างไรแต่ตัวเองก็เสื่อมหรือไม่มีวิชานั้นบริบูรณ์อะไรเลย 2. บริโภคของพระราชทานจากพระเจ้าประเสรที่โกศลแต่พระเจ้าประเสริที่โกศลก็ไม่โปรดให้ปกกรสาติพรามนั้นอยู่ในที่เฉพาะพระพักเมื่อจะทรงปรึกษาอะไรด้วย ก็ทรงปรึกษาโดยมีม่านกัน้นโภคะสาติพราม์รับภิกษาที่เป็นของพระราชทานโดยธรรมแต่ทำไมเล่าพระเจ้าปเปเสนที่โกศลจึงไม่อนุ ญ, ญาตให้พรามนั้นอยู่ในที่เฉพาะพระพักข้อนี้แสดงว่าความจรงิงพระเจ้าปเปเสนที่โกศลก็ทรงปฏิบัติต่ตอพรามไม่ใช่ในฐานะสูงสักกว่าพระองค์อย่างไรเลยแม้เช่นนั้นพรามนั้น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 แล้วคนวันณสูตรหรือธาตุของสูตรเหล่านั้นกล่าวถ้อยคาว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมีพระราชดำรัสอย่างนี้อย่างนี้หมายถึงพูดเรียนพระราชดำรัสจะทำให้สูตรหรือธาตุของสูตรกลายเป็นพระราชาหรือราชมหาอมาตย์ไปได้หรือไม่เมื่ออมพัธมานกตอบว่าเป็นไม่ได้จึงตรัสเปรียบเทียบให้ฟังว่า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 อัมพัทธมาโนบตอบว่าฤาษีรุ่นก่อนๆไม่ทําอย่างนี้จึงตรัสสรุปให้เห็นว่าอัมพัทธมาโนพพร้อมทั้งอาจารย์ไม่ได้เป็นฤาษีหรือผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นฤาษีอัมพัทธมาโนบได้สังเกตรพระพุทธลักษณะแต่ยังมีอยู่บางข้อที่เห็นไม่ได้เช่นพระกุยหาฐานตั้งอยู่ในฝักและพระชิวหา ใหญ่ยาวพอจะปิดพระภาคและช่องพระนาศิกฐ์ระโสดได้พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงอิทธาพิสังขารคือแสดงฤทธิ์และทรงประธรรมให้เห็นได้อัมพัทธมานกกลับไปเล่าให้โปขราสาติพราหมณ์ฟังทุกประการโปขราสาติพราหม์โกรธที่อัมพัทมานกไปรุกรานพระผู้มีพระภาคจึงใช้เท้าเตะ และใครจะไปเฝ้าแต่พวกพราหมณ์ขานว่าค่ําแล้วควรไปในวันรุ่งขึ้นแต่โปะคะราสติพราหมณคงไปจนได้โดยให้จุดคบเพลิงเมื่อไปเฝ้ากราบทูลถามเรื่องที่โต้อตอบกับอัมพั ธ, ธมานพแล้วจึงกราบทูลขอโทษแทนอัมพัท ธ, ธมานพซึ่งพระภูมิพระภาคก็มีพระพุทธดํารัสว่าอัมพั ธ, ธมานพจงเป็นสุขเถิด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 ได้สดับพระธรรมเทศนาเรื่องอนุปุพภิกถาและอริยสัจสีได้ดวงตาเห็นธรรมจึงประกาศตนพร้อมทั้งบุตรภริยาบริษัทธ์และอมสาธเป็นอุบาสกถึงพระรัตนไตรัยเป็นสาระตลอดชีวิตสำหรับเรื่องอนุปุพภิกถาคือการสอนเรื่องทานศีล ส, สวรรค์และอนิสงฆ์ในการออกบวช